การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเป้าหมายของการฟังเทศของการฟังธรรมนี้ก็อยู่ที่ใจของพวกเราเพราะใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้และเป็นสมบัติชิ้นเดียว ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมเราก็จะมีเครื่องมือไว้ดูแลรักษาใจของเราให้ใจของเรามีแต่ความสุขให้ใจของเราปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆ เพราะความสุขและความทุกข์ของใจนี้มันรุนแรงมันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ดูแลรักษาใจของเรา ใจของเราก็จะผลิตแต่ความทุกออกมาใจของเราจะไม่สามารถผลิตความสุขออกมาได้เพราะใจของเราถูกความหลงครอบงำให้เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆ เช่นให้ความสำคัญกับร่างกายของเรามากกว่าใจของเราให้ความสุขทางร่างกายให้ความสำคัญต่อความสุขทางร่างกายมากกว่าความสุขของใจให้ความสำคัญต่อการดับทุกข์ของร่างกายมากกว่าการดับทุกข์ของใจ เมื่อเราถูกความหลงหลอกให้มีการกระทาแบบนี้ให้มีให้ความสำคัญต่อร่างกายมากกว่าความสำคัญของใจใจเราก็เลยต้องผลิตแต่ความทุกข์ออกมาแต่ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามา สอนมาบอกให้พวกเราสร้างความสุขที่ใจดับความทุกข์ที่ใจอย่าไปสร้างความสุขที่ร่างกายอย่าไปดับความทุกข์ที่ร่างกายใจของเราก็จะมีแต่ความสุขดับความทุกข์ต่างๆได้หมด นี่คือความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงรู้จักวิธีดับความทุกข์ของใจรู้จักวิธีสร้างความสุขของใจด้วยการให้ความสําคัญต่อใจมากกว่า ร่างกายและสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และร่างกายของเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวร ให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวดับความทุกข์เพียงชั่วคราวแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเวลาที่เราดูแลรักษาร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้เช่นลาบยศสัตร์เสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เราต้องหาสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือดูแลรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะใจจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระที่จะต้องคอยหาคอยดูแลรักษา แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รวมไปทั้งรวมไปถึงร่างกายนี้ได้ไปตลอดเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวัน ที่จะต้องจากเราไปจากใจไปเวลาที่สิ่งต่างๆที่ใจหามาได้ต้องจากใจไปใจก็จะมีความเสีย อ, อกเสียใจทุกทรมานใจนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้วิธีดูแลรักษาใจแทนที่จะรักษาใจ เรากับเอายาพิษเอาสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเช่นการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการดูแลรักษาร่างกายของเราแบบเกินเหตุเกินผลเป็นการเอา อย่าพิษเอาโทษเข้ามาสู่ใจใจของพวกเราที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็ทุกข์ด้วยการกระทําอย่างนี้เองหาอย่าพิษหาสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยให้เข้ามาเหยียบย่ำมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ไม่รู้จักว่าตนเองเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจกลับไปโทษสิ่งต่างๆว่าเป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องทุกข์ใจจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจได้ถูกจุดถูกที่เกิดของความทุกข์ ความทุกข์ทางใจจึงไม่เคยหายไปจากใจไม่ว่าจะเกิดมากี่พ่อกี่ชาติก็จะมาเจอความทุกข์ที่ใจเสมอไม่รู้จากวิธีดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาภายในใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยกเว้นพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีบรารมีที่แก่กล้า อย่างเจ้าชายสิทธัตถะที่ก่อนที่จะได้ตัดสิรุเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัต์เป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคโชนเช่นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคมมบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมี ปัญญาบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยบาร ม, ราารมีขันติบารมีนี่คือคนธรรมหรือบารมีสิบประการด้วยกันที่พระโพธิสัตว์จำเป็นจะต้องเจริญให้ได้ เ, เต็มร้อยเมื่อได้เต็มร้อยเมื่อไหร่ก็จะสามารถทําให้เห็นสัจธรรมความจริงเห็นพระ อ, อริยสัจสี่เห็นความทุกข์ว่าอยู่ที่ใจเห็นต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆก็อยู่ที่ใจเห็นมาก ที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่คือบุคคลเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถเห็นวิธีการดับของความทุกข์ได้โดยตนเองนอกนั้นแล้วจะไม่มีใครจะมีความสามารถที่จะ รู้ที่จะเห็นได้ต้องรอพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชแล้วก็ได้บาเพ็ญสมัมมณธรรมจนได้ตัดสรุ้เป็นพระอรหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ต้องรอให้พระองค์ประกาศความรู้อันนี้ ให้แก่ผู้อื่นถึงจะมีโอกาสที่จะรู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจสร้างความทุกข์ที่เลิศที่วิเศษสร้างความสุขที่เลิศที่วิเศษกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ได้ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน แล้วนำเอาคําสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติผลถึงจะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างพวกเราตอนนี้ก็กำลังฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราฟังแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้เครื่องมือคือธรรมะ ที่เรียกว่าแสงสว่างที่จะทำให้เราเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยมองเข้าไปในใจของเราเลยเรามองไปที่ร่างกายตลอดเวลาจึงทำให้เรามองไม่เห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลา แทนที่เราจะดับทุกข์ภายในใจด้วยการละตันหาเรากลับไปสร้างตันหาเพื่อที่จะดูแลรักษาร่างกายและรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเราจึงแทนที่จะดับความทุกข์ใจกับกลายเป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกครั้งที่เราอยาก ได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมกูกิ้อกายทุกครั้งก็เป็นทุกครั้งเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอันนี้เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วแล้วนำเอาไปปฏิบัติคือแทนที่จะไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้เสียวิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องมองให้เห็นความจริงคือให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้กันต้องเห็นว่าราบยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุ ข, ขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจงมันเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปนี่คือปัญญา หรือธรรมะที่เราจะต้องมีให้ได้ถ้าเรามีเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หยุดความอยากหาราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกเล่นกายหยุดการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เมื่อเราหยุดได้แล้ว เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่มีอยู่ภายในใจของเราอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้ได้เห็นถ้าเราได้มีโอกาสมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาในยุคที่มีพระโพธิสัตว์มา ตัดสรุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประกาศความรู้ที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นนี้ให้แก่สัตว์โลกพอพระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระธรรมคำสอนก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันอาสาหั บ, บูชานในวันเพ็ญเดือน8ป พระธรรมที่ทรงแสดงก็คืออะไรก็คือทางสายกลางที่เรียกว่ามรรคเป็นหนึ่งในสัจธรรมความจริงที่พระองค์ได้ทรงตัดสร่งสัจธรรมความจริงที่ได้ทรงตัดสร่งอยู่สี่ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในบรรดาสัจธรรมทั้งสทั้งสี่ประการนี้มีมรรคที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุด เพราะมรคนี้จะเป็นผู้ที่จะมาทำหน้าที่ละตัณหาดับความทุกข์ได้ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันเปรียบเทียบกับร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าเป็นใจความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายของเราก็เป็นความทุกข์ของใจ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องทำอย่างไรก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุว่าร่างกายนี้ป่วยด้วยโรคอะไรด้วยเหตุอันใดถ้าหาเหตุได้ก็จะต้องหาเครื่องมือหรือยาที่จะมาทำลายเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายได้ เช่นเวลาเป็นโรคระบาดเช่นอฮิวาตะกะโลกเราก็หมอก็ต้องค้นคว้าดูว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดพอรู้ว่าเป็นเชื้อ อ, อหิวาก็ต้องหายามาทดลองดูว่ายาชนิดไหนจะฆ่าเชื้อโรคนี้ได้พอ ได้ายามาแล้วก็สามารถเอามารักษาร่างกายที่เป็นโรคนี้ทำลายเชื้อโรคนี้ให้หายไปได้โรคภัยก็จะหายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คื อ, อยาถึงแม้จะรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้เกิดจากเชื้อโรคชนิดไหนแต่ถ้าไม่มียาก็จะไม่สามารถรักษาได้เช่นโรคเอก อย่างนี้เขารู้แล้วว่าคนที่เป็นโรคเอกนี้เกิดจากเชื้อโรคอะไรก็เกิดจาก HIV แต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถหายาที่จะมาฆ่าเชื้อ HIV ให้หายได้เขาหาได้เพียงแต่ยาที่จะต้านเชื้อโรคไม่ให้มันเผยแพร่ไม่ให้มันขยายตัวไม่ให้มันเจริญเติบโต แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายให้มันหายไปทำให้ร่างกายปราศจากเชื้อ h i ชไวีได้นั้นยาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในบรรดาอริยสัจสีก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงค้พบว่ามทุกของใจนี้เกิดจากการเกิดของร่างกายเกิดาจากการแก่ เจ็บตายของร่างกายเกิดจากการพัดพลาดจากสิ่งที่ใจรักใจชอบเกิดจากการที่ต้องสัมผัสกับสิ่งที่ใจไม่ชอบแล้วต้นเหตุที่ทำให้ความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นก็ส่งคนพบว่าเป็นตันหาความอยากทั้งสามประการคือหนึ่งกามตันหาความอยากในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกามคุณทั้งห้านี้เรียกว่ากามความอยากในกามคุณทั้งห้าก็คือกามัตันหาอยากได้รูปอยากได้เศษรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความอยากกลุ่มที่สองก็คือภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอความอยาก ไม่มีอยากไม่เป็นนี้เป็นวิภาวะตัณหาความอยากกลุ่มที่สามนี่คือต้นเหตุที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาความภาวะตัณหาเป็นอย่างไรก็คืออยากจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต อันนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําได้ง่ายๆและไม่สามารถที่จะทําให้ได้ดังใจไปตลอดเวลาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็อยากเกิดความอยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกพอไม่ได้ก็จะเสียใจส่วนวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็คืออยากไม่จนอยากไม่เป็นขอทานอย่างนี้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้เรื่องของความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้ความยากจนอาจจะแก้ได้บางครั้งบางเวลาบางเวลาก็แก้ไม่ได้ ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบว่าการที่จะทําให้สัจธรรมข้อที่สามปรากฏขึ้นมาคือการดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนี้ก็ท่งค้นพบว่าก็ต้องมียามีเครื่องมือที่สองเรียกว่ามัคคือมีทางเดิน ที่จะพาใจให้ได้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์อันนี้ยาพระพุทธเจ้าก็หาได้ด้วยถ้าเปรียบกับโรคเอก็คือสรงคนพบยาที่จะมารักษาเชื้อโรคเอดได้คือเชื้อ h อ v อวอันนี้พระพุทธเจ้าส่งค้นพบยาที่จะมาทำลายตัณหาทั้งสามนี้ได้ ตัญหาทั้งสามนี้เป็นเหมือนเชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดโรคเอดส์ขึ้นมาทางร่างกายทงค้นพบวิธีรักษาโรคเอดส์ด้วยการค้นพบยาที่จะมาฆ่าเชื้อ HIV ก็คือสงค้นพบมรคที่จะมาทำลายตัญหาทั้งสารนี้ได้ คือกามตัญหาภาวตัญหาระวิภาวตัญหามากของพระพุทธเจ้าก็คือทางสายกลางนี้ที่มีองค์ประกอบอยู่แปดปแป8องค์ด้วยกันที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกรปรความนาริดชอบสององค์นี้รวมกันเรียกว่าปัญญาปัญญาคือ ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องถ้าเรามีความคิดที่ถูกความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็เห็นว่าทุกขของเราทุกของเราเกิดที่ใจเกิดจากความอยากเกิดจากตัรหาทั้งสานี้ และวิธีที่จะดับความทุกข์ของเราทุกใจของเราก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้เครื่องมือที่จะละตัณหาทั้งสามนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรประคือเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่จะเอามาดับความทุกข์ใจของเราที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นยามาดับความทุกข์แต่เป็นยาพิษที่จะมาสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมา ก็คือสิ่งที่เราอยาก เ, ยเช่นกามตันหาอยากในรูปเสียงกลิ่นนสรูปเสียงกลิ่นนสนี่ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้อย่างถาวรความเป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาตั้งแต่ชั้นพื้นฐานขึ้นไปก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นสอสอ ส, อสอจอเป็น รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้นอกจากไม่ดับความทุกข์ใจแล้วกลับมาสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาได้มาแล้วก็จะต้องเสียไปในที่สุดเวลาเสียไปก็เหมือนตกจากหลังเสือเวลาขึ้นขี่เสือมันสนุกมั น, ม, นมันดีแต่เวลาตกจากหลังเสือนี่เสือมันกัดเา่า โดนเสือกัดกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาคือต้องเห็นว่าสิ่งต่ตางๆที่ตันหาความอยากของเรานี้อยากได้นั้นมันไม่สามารถมาดับความทุกข์ของใจที่เรามีอยู่ได้ไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับใจได้มีแต่สร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไป ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะตัดตันหาทั้งสามนี้ได้นี่คือยาหรือมรดที่จะมาค่าเชื่อโรคเชื้อ HIV อคือตันหาทั้งสามนี้นี่แหละคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้ส่งคนพบหลังจากที่ได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างโชคโชนในแต่ละพบแต่ละชาติ จนได้มาเกิดผลขึ้นในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็คือได้ออกบวชเป็นสมณาโคดมแล้วจากสัมณาโคดมก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์ตระสามมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศมาสดาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายมาจนถึงปัจจุบันนี้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 สอนพวกเราต่ออยครั้งนี้ถ้าพวกเราอยากจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นก็ต้องสร้างบารมีด่านี้ขึ้นมาแต่พวกเราโชคดีคือเราไม่ต้องสร้างกันหลายภพหลายชาติด้วยกันเพราะว่าเรามีผู้ที่ได้ค้นคว้าได้พบวิธีสร้างบารมีที่สําคัญที่จําเป็น บา ร, รมีอย่างอื่นที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นไม่ต้องไปทำมันไม่ต้องไปสร้างมันสร้างแต่เฉพาะบา ร, รมีทั้งสิทธิ์ประการนี้ภายในชาตินี้ก็จะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นอริยรรสัจสี่ได้เห็นแล้วก็จะได้เอาสิ่งที่เห็นนี้มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาเผยแผ่มาสั่งสอนวิธีการดับความทุกข์ให้แก่พวกเราพวกเราอย่างมากที่จะทำได้ก็คือสะสมบา ร, รมีต่อไ ป, ส ะ, ไปสะสมไปแบบสเปดสะปะเพราะว่าไม่มีความมั่นใจว่าทำไปแล้วจะได้อะไรยังไม่รู้ว่าทำไป ทำไมทำไปก็เพราะว่ามีคนสอนให้ทาบอกให้ทาว่าดีก็ทำไปแต่ไม่รู้ว่าดีอย่างไรเช่นแม้แต่พุทธศาสนิกชนชที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทำบุญไปนี้ไปทาเพื่ออะไรกันทำไปโดยไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจว่าทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวย ให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ให้ได้เป็นเทวดาให้มีเวลาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ให้มีบุญบรารมีมาสนับสนุนเกิดเป็นรูปของคนร่ำคนรวยหรือเกิดมาแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างฐานะให้ร่มให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตได้ก็จะเข้าใจไปอย่างนี้ซึ่งความจริง มันคุณเป็นคนละเรื่องเลยการสร้างบุญบา ร, รมีนี้เพื่อมาละตันหาทั้งสามนี้ต่างหากเมื่อละตันหาทั้งสานี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าได้บุญบได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีแล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรมภายในชาตินี้ก็จะตัดตัณหาทั้งสามไปได้หมดเมื่อตัดตัณหาทั้งสามไปได้หมดใจก็จะไม่กลับมาเกิดอียใจเป็นนิพพานไปแล้วนี่ตัางหากคือเป้าหมายของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พาจิตใจของเราได้เข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่ให้เพื่อจะได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก แม้ว่าจะเกิดในภพชาติที่ดีที่เรียกว่าสุขติก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เป็นเป้าหมายของมรรคที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันสงสอนให้พวกเราปฏิบัติมรรคเพื่อให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่เราจะได้ละตัณหาทั้งสามดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราทํามไม่ใจของเรานั้น ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เข้าใจจะไม่รู้ก็จะมัวแต่ทำไปตามความอยากอีกแทนที่จะทำมัตย์บุญปฏิบัติธรรมเพื่อละความอยากกลับทำเพื่อความอยากอีกอยากจะได้กลับมาเกิดใหม่ให้ดีกว่าเก่าให้ร่ำรวยกว่าเก่า ให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่าอย่างนี้เป็นตน้นการปฏิบัติมากนี้เพื่อที่จะละตัณหาทั้งสามคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆและเป็นเหตุที่ทําให้ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาพัดพากจาก ของที่รักของที่ชอบคนที่รักคนที่ชอบกลับมาประสบกับคนที่เราไม่รักกับคนที่เราไม่ชอบใหม่นี่คือการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เราได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการละตันหาทั้งหลายดัยงนั้นพอเราทําอะไรปฏิบัติอะไรแล้วเราต้องคอยสังเกตว่าเราทําเพื่อละตันหาหรือเปล่าหรือเราทําเพื่อสร้างเพิ่มตันหาขึ้นมาทําเพื่อตันหาหรือทําเพื่อละตันหาเราต้องระวังเวลาเราทําทานเราจา่าคะเราเสียสละแบ่งปันนี้ เราเสียสละแบ่งปันเพื่ออะไรเพื่อเราตัดเพื่อจะได้ตัดความอยากหรือว่าเพื่อให้เกิดความอยากหรือทำตามความอยากอยากมีหน้ามีตาเช่นบางคนทำทานทำบุญแล้วก็ต้องประกาศบอกชื่อติดป้ายไว้ที่หน้าโบสถ์หน้าบันติดป้ายไว้ที่กุตกกุติแทงนุงแทงน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ เวลาเราไปวัดนี่เรามักจะเห็นชื่อคนเต็มไปหมดศาลาหลังนี้บริจาคโดยนายคนนั้นนายคนนี้แทงน้ําใบนี้บริจาคโดยนางนั้นนางนี้อันนี้ทําตามความอยากนะอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนรู้ว่าเราทําบุญเราเป็นคนใจบุญอันนี้แทนที่จะอะ ได้ไประโยชน์จากการทำทางก็กลับเป็นการเป็นช่องทางของการสร้างตัณหาคืออัตอตาตัวตนขึ้นมา <Evet. S 1> แทนที่จะทำลายอัตตาตัวตนแบบแบบปิดทองหลังพระคือ บ, บริจาคโดยไม่ประสงค์ที่จะออกน้มอย่างนี้เป็นตน้น <Evet. S 1> กลับต้องประกาศชื่อกันบางแห่งนี้ นั่งฟังการประกาศเป็นชั่วโมงก่นจะจบคนนั้นชื่อนั้นถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นการทำผิดจุดประสงค์ของการทำทานแล้วการทำทานนี้ต้องการที่จะตัดความอยากคือถ้ามีงานแล้วเดี๋ยวมันจะตันหาการมาตันหามันจะมาขอยืมไปใช้ เดี๋ยวเห็นรถเบนซออกมาใหม่ๆก็อยากจะได้อันนี้ก็การมาตันหาแล้วเห็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้ทั้งๆที่รุ่นเก่าที่ใช้กำลังใช้อยู่ตอนนี้มันก็ยังดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเห็นรุ่นใหม่ออกมานี่ตัญหาความอยากได้มันมาแล้ ว, ลวถ้ามีเงินจะทำไงมันก็ต้องเอาไปซื้อแล้ว มันจะไม่มีกําลังที่จะต้านปัญหาความอยากได้รถคันเก่าก็ยังดีอยู่ยังไม่มีปัญหาขับก็ไม่เสียไปไหนมาไหนได้สบายตอนที่ซื้อมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจรักมันแทบเป็นแทบตายพอมีรุ่นใหม่ออกมาตอนนี้กลับเบื่อมันเสียแล้วอยากจะได้คันใหม่ขึ้นมาแล้วถ้ามีเงินมันก็จะเอาไปซื้อถ้าเอาเงินไปซื้อตามความอยากมันก็เป็นการ สร้างตันหาให้มีมากขึ้นแทนที่จะมาตัดตันหาให้มันมีน้อยลงกลับมาสร้างตันหาให้มันมีมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาเงินที่มีที่เราจะเอาไปซื้อรถเบนซ์ได้นี้เอาไปบอยจากเอาไปทำทานเสียพอรถเบนซ์นุ่นหมายออกมามันก็จะไม่มีเงินที่จะไปซื้อได้มันจะอยากอย่างไรก็มันก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้เพราะเงินไม่มีเสียแล้ว เอาไปทำบุญเสียแล้วเอาไปทำทานเสียแล้วนี่คืออุบายของพระเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทำทานกันถ้าพวกเรามีเงินมากเกินความจำเป็นอย่าเก็บเอาไว้เพราะว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือของตันหามันจะมาสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปภายในใจพอซื้อมาแล้วมันก็ดีใจไม่กี่วัน เดี๋ยวนุ่นใหม่ออกมาอีกมันก็อยากได้แล้วถ้าเกิดไม่มีเงินทองที่จะซื้อมันก็จะไม่สุขไม่สบายใจมันก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่มีเงินเสียมันก็ไม่ต้องทำตามความอยากอันนี้คือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำทานรักษาสี่งให้เราภาวนานี้ ก็เพื่อที่จะมาลดละความอยากต่างๆทั้งสามประการนี้ให้มันน้อยลงไปให้มันเบาบางลงไปและให้มันหมดไปในที่สุดนะคทานก็จะสามารถลดปัญหาความอยากได้ในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งศีลก็จะละความอยากได้ในอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดนะ จะให้หมดต้องเข้าสู่ขั้นภาวนาคือขั้นสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาขั้นสมถภาวนาก็จะระงับได้หมดเลยแต่ระงับได้เพียงชั่วคราวคือขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิตันหาความอยากนี้จะหายไปหมดจะไม่มีอยู่เหมือนกับหายเหมือนกับไม่มีเลยแต่มันไม่หาย ไปอย่างถาวรมันหายไปเพราะว่าจิตสงบมันไม่สามารถทำงานได้มันต้องอาศัยความคิดถึงจะทำงานได้แต่เวลาจิตสงบนี้ความคิดไม่ทำงานตัณหาความอยากก็เลยไม่ได้ทำงานด้วยต้องสงบไปด้วยแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอความคิดเริ่มคิดปรุงแต่งไป ความอยากมันก็จะตามมาทันทีถ้าอยากที่จะทำลายความอยากให้มันตายอย่างถาวรก็ต้องใช้ขั้นวิปัสสนาภาวนาก็ต้องสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากได้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเวลาหมดไปก็จะมีความทุกข์คืนมาใหม่ เป็นความสุขชั่วคราวแต่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่แท้จริงเพราะพอความสุขชั่วคราวหมดไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่มันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะจากเวลามันจะเปลี่ยนไปนี้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้พอห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมานี่คือขั้นสุดท้ายของการตัด ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องใช้วิปัสสนาถึงจะสามารถที่จะถอนรากถอนโคนของตันหาความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ต้องทําตั้งแต่ขั้นฐานขึ้นมาเพราะว่าเวลาเริ่มต้นนี้เรายัางจะไม่มีกําลังที่จะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาได้ เมือนกับการตัดต้นไม้ก่อนที่เราจะถอนรากถอนโคนของต้นไม้ได้เราต้องตัดกิ่งตัดก้านมันไปก่อนแล้วค่อยมาตัดต้นพอมาถึงโคนต้นแล้วเราก็ใช้เจใช้เสียมขุดมันขึ้นมาได้นี่ก็คือลักษณะเดียวกับการปฏิบัติเพื่อละตัณหาทั้งสามนี้ก็ต้องละตั้งแต่ขั้นฐานขึ้นมามีเงินมีทอง ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ให้สละไปเพื่อที่จะได้ไปบวชได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของต่างๆตามความอยากต่ออีกต่อไปถ้าจะซื้ออะไรก็ซื้อแต่เฉพาะของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือดูแลรักษาเครื่องมือคือร่างกายให้มาใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อละตันหาความอยากต่างๆ อย่าทำทานเพื่อให้เกิดตามความอยากอย่ารักษาศีลตามความอยากอย่าภาวนาตามความอยาก ถ, าถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะผิดวัตถุประสงค์มันจะไม่เกิดผลขึ้นมาเช่นทำทานอยากจะมีหน้ามีตาด้วยการทำทานก็ทาไปให้คนอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนใจบุญสนทานก็ทำแล้วก็ประกาศบอกกัน อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีละตันหาแต่เป็นการทำเพื่อตันหาสร้างตันหาขึ้นมารักษาศีลก็ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเรารักษาศีลภาวนาก็ไม่ต้องไปบอกไปอวดให้คนอื่นเขารู้ว่าเราภาวนาเรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็ไม่ต้องไปอวดคนอื่นว่าเรามีปัญญามีปัญญามี ดวงตาเห็นธรรมเพราะมันจะกลายเป็นกิเลสกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอยากอวดอยากเด่นอยากดังขึ้นมาได้นี่คือการดูแลรักษาใจของเราที่มีความสําคัญยิ่งกว่าร่างกายและสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของร่างกายความทุกข์ของใจก็เช่นเดียวกันรุนแรงหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายปล่อยให้ร่างกายมีความทุกข์มันก็จะทุกข์แบบที่ไม่มีอะไรที่จะมาดับมันได้หรือมาทาให้มันเบาบางลงไปได้นั้นจะมีความสุขระดับ พระราชามหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีหรือมหาเศรษฐีเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี้ความสุขของระดับมหาราชามหาเศรษฐีนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความสุขใจในระดับของพระอราหันต์แล้วถ้ามีความทุกข์ทางร่างกายขนาดไหนก็ตาม ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะสามารถดับความทุกข์ได้คือสามารถไม่ให้ความทุกข์ของร่างกายเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์ภายในใจได้ใจก็ยังมีปรมังสุขขังอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เวลาท่านนิพพานท่านละขันท่านจึงละได้อย่างสบายละได้ในทุกเอริยาบมด เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ใจของท่านไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายกับเวทนาก็คือความเจ็บของร่างกายมีอยู่เหมือนเหมือนผู้อื่นมีกันแต่ใจนี้ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพียงแต่สักแต่วรู้เท่านั้นนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะมีความสุขของใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันทาให้ไม่รู้สึกทุกข์เลย กับความทุกข์ของร่างกายนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติของการฟังเทศฟังธรรมที่พวกที่พวกท่านทั้งหลายได้มากันฟังมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องขอให้พุ่งเป้าไปที่การดับความทุกข์ที่ใจสร้างความสุขที่ใจนี้เพียงอย่างเดียวแล้วจะไม่ผิดหวังการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวารอวาหาปุราปาริปเรนติสากรังเอวเมวะอิตตินังเปตานาังอุปกั ป, ปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจฉาตุสัพเหปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพติโยวิวาจันตุสัพพโรโควีนั ส, สตุมาเตภวตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีิทษะนิจังุทธาปะจายิโนจตรารุธรรมวาัทานติ อายุวันโอสุขังพาลางังต่อไปนี้มีท่านอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ขอให้พูดผ่านทางไมโครโฟนนะกับนมัสการ ท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมใครข อ, อาถามคาถามซึ่งผมคิดว่าไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมด้วยหรือเปล่าครับเวลาเจริญกรรมฐานนะครับภาวนาแป๊บเดียวห้านาทีเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเข้ามาประเดี๋ยวเรื่องนู้นประเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับพอสักพักหนึ่งหายก็เข้ามาอีกอย่างนี้นะครับมันรู้สึกว่าการเจริญ ภาวนาเนี่ยนะครับมันลําบากจังเลยทําอย่างไรถึงจะสามารถ ก, กําจัดตรงนี้และมีวิธีการแบบไหนบ้างครับคือที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสติของเราไม่ต่อเนื่องสติของเราขาดขาดหายหายแบบล้มลุกคุกคานเราไม่เจริญสติมากพอเราจึงต้องตั้งเป้าไปที่การเจริญสติก่อนที่จะมานั่ง เช่นเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปให้เรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราตลอดเวลาเช่นถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้บริกรรมพุโทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาปั๊บก็พุโทโธพุธโทโธเลยเหมือนออกวิ่งมาลาทอนเลยพุโทโธไปจนกว่าจะนอนหลับนถึงจะหยุดพุโทโธ ไม่ว่าเราทำอะไรก็บริกรรมพุโทโธไปอาจจะเผลอบ้างหยุดบ้างเพราะอาจจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไม่มีอะไรจะต้องคิดก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงสาวคนนั้นสาวคนนี้ให้คิดถึงพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะอยู่กับพุโทโธมันจะสงบนี่คือหลัก ถ้าใช้พุโทโธก็ได้ไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ร่างกายก็ได้เอาใจเอาร่างกายเพ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของร่างกายของใจเข้าดูร่างกายทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ใจก็ต้องรู้อยู่กับอกิริยาบทนั้นการกระทำมันนั้นแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่หายสติมันจะไม่หายนี่คือวิธีลองทาดู ทามาแล้วได้ผลแล้วพระพุทธเจ้ายืนยันแล้วเจ็ดวันก็บรรู้ดได้ถ้าจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่งสมาธิห้านาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอมีความสงบแล้วก็จะเห็นทุกข์สมุทัยนิโรจนมาขึ้นมาในใจอ้าวคนที่มาอย่างเทศมาไกลอยากจะถามอะไรไหมาถามได้เลย ก็คือมีคำถามอยากจะกลับเรียนพระอาจารย์ขออนุญาตแบบเป็นสี่ข้อนะเจ้าคะ่ะเริ่มจากข้อแรกเนี่ยในช่วงประมาณปีที่แล้วพอเริ่มทำจริงจังเนี่ยก็รู้สึกว่าสามารถนั่งได้ดีกำหนดภาวนากำหนดได้ดีแล้วก็หลายๆครั้งเวลาจิตนิ่งมันก็จะออกไปทางปัญญาเองโดยการโยนคำถามแล้วมันก็จะอธิบายมาให้แต่หลังจากเกิดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีภาวะที่ทาให้จิตเสื่อมล้วก็ ความรู้สึกในการอยากนั่งมันก็หายไปแล้วก็เลยตามกิเลสค่ะมันไม่อยากก็ไม่ทําจนเพิ่งจะกลับมาเริ่มได้ใหม่ประมาณเดือนมิถุนากลากาที่ผ่านมาเพียงแต่แค่รู้สึกว่าความเพียรในการกระทํามันน้อยลงจากเดิมจากเดิมนั่งได้ครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่าสองชั่วโมงเดี๋ยวนี้พอครบหนึ่งชั่วโมงจิตมันก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะลุกแล้วก็ อ, อยากจะขออ ชีตอนที่เล่าว่าตอนที่จิตสงบแล้วออกทางปัญญานี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาจิตสงบแล้วควรจะให้ตั้งอยู่ในความสงบให้นานที่สุดเพราะจะเป็นการสร้างพลังให้กับจิตจิตต้องการอุเบกขาถ้าจิตแช่อยู่ในอุเบกขาได้นานเท่าไหร่ก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาความอยากได้มากดสติก็จะต่อเนื่องด้วย สติก็จะมีกําลังถ้ามีอุบเบกขาก็แสดงว่ามีสติยันเวลาที่จิตสงบแล้วอย่าพึ่งไปออกทางปัญญาให้อยู่ในอุบเบกขาอยู่ในความว่างอยู่ความปราศจากความคิดปรุงแต่งไปจนกว่าจิตจะถอนออกจากสภาพนั้นแล้วออกมาคิดปรุงแต่งพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเป็นเวลาที่เราต้องเอาความคิดปรุงแต่งนั้นมาปรุงแต่งมาในทางปัญญา ให้เช่นให้มาพิจารณาร่างกายพิจารณานิจังร่างกายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของเราก็เป็นของคนอื่นก็เป็นต้องพิจารณากับของคนที่เรารักเป็นหลักเพราะเราจะทุกข์เราจะเสีย อ, อกเสียใจก็เพราะเวลาที่คนที่เรารักเขาต้องเป็นอะไรไป ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเ ร, อเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรู้รู้รรเหตุการณ์ล่วงหน้า mm hmm. แล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นเพราะเราซ้อมรับกับเหตุการณ์นั้นอยู่แทบทุกวันทุ ก, ท ก, ทกนาทีก็ได้อันนี้คือปัญญาต้องรอให้ออกมาจากสมาธิก่อนอแล้วถ้าเราออกมาพิจารณาทางปัญญาไปได้สักระยะหนึ่งกําลังของสมาธิก็จะ ดางหายไปจิตก็เริ่มคิดแบบสเปสปะเริ่มไม่เป็นไปตามเหตุตามผลก็ควรจะหยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทําใจให้สงบเพื่อสร้างฐานของสหคืออุเบกขาขึ้นมาใหม่สร้างความเย็นใจขึ้นมาใหม่แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ทําสลับกันไปอย่างนี้ไปมาไปมา จิตจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะไม่มีความเบื่อหน่ายจะไม่มีความท้อแท้เพราะรู้เวลาทํางานที่ถูกต้องเวลาจิตควรพักเราก็ดึงมันมาทางานมันก็เลยพอถึงเวลาจะทํางานมันก็ไม่อยากจะทำถึงเวลาจะเข้าสมาธิมันก็จะไม่อยากเข้าเพราะเข้าไปแล้วมไม่ได้พักพอเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมาเหมือนคนให้ไปนอนพอนอนปั๊บก็ปลุกเขาเตื่นขึ้นมาให้ไปทํางาน เดี๋ยวต่อไปเขาก็ไม่อยากจะนอนไม่อยากจะทําอะไรเพราะก่อนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงยงนันต้องทําให้มันถูกขั้นตอนของมันสมาธิเป็นที่พักใจเป็นที่เติมพลังให้กับใจต้องอยู่ให้นิ่งๆให้นานๆที่สุดะขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจกับปัญญามากเอาเอาสมาธให้มากให้จิตมันสงบนั่งให้มันนานให้มันนิ่งให้นานๆออกมาถ้ามันออกมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาได้ พิจารณาพอสงควรแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อย่าเพิ่งไปพิจารณามันมากพิจารณาจนกว่ารู้สึกว่าใจมันเริ่มร้อนละตัณหามันเริ่มออกมาแล้วก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่นั่งให้นานๆชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรไปอยเเี้เเทําอย่างนี้ไปสลับกันน่าจะไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายมันจะมีแต่ความตื่นเต้นยินดีเพราะมันเห็นผลคืบหน้า เ ห, เห็นผลของสมาธิเห็นผลของปัญญาว่าเราไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะคราวนี้ในส่วนคําถามที่สองสืบเนื่องจากขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งคำถามเป็นห้าแล้วกันนะเจ้าค่ะสืบเนื่องจากที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อกี้บางเอิยพอหลังจากที่การพอนามมาเริ่มกลับมาได้ดีแล้วเวลาญาติญาติโทรมาเล่าปัญหาให้ฟังก็จะอชอบสอดแทรกเข้ามาแล้วพยายามจะให้เขาวาง แล้วตั้งแต่เราเริ่มกลับมาพาวนานได้ดีมากขึ้นโดยนิสัยส่วนตัวก็เลยเริ่มปิดตัวจากญาติพี่น้องเพราะว่ามันรู้สึกสงบมากกว่าแล้วเวลาเขาโทรมาเราก็รับฟังแต่เราไม่ค่อยโทรไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกครั้งที่เล่าปัญหาให้ฟังเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนคือเราจะใจเย็นขึ้นแล้วพยายามบอกให้เขาแก้ปัญหาแต่ตอนนี้คือกําลังโดนปัญหาว่าที่บ้านมองว่าเราเพิกเฉยกับเขา ทั้งๆทงี่เรารู้สึกว่าเราพยายามบอกให้เขาวางใจให้วางเหมือนอุเบกขาแต่เขามองว่าเราเป็นลักษณะของการทําไมภาวนาแล้วกลายเป็นคนเฉยชาหรือว่าเพิกเฉยกะทิบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าเรามีแต่ยาขมให้เขากินไงเขาชอบขนมหวานก็เลยรู้สึกว่าเราเพิกเฉยเวลาคุยกับเขาทําอะไรก็มักจะชวนให้เขาไปทางธรรมะเป็นทางที่เขาไม่ชอบไปก็เหมือนให้ยาขมกับเขา เมื่อก่อนเราให้ขนมหวานเขาชวนเขาไปดูหนังชวนก็ไปเที่ยวทําอะไรตามกําลังของตันหาความอยากแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สนใจกับเรื่องตันหาความอยากทางรูปเสียงก ล, ลิ่นรอและเราสนใจแต่เรื่องการทำใจให้สงบปีกเวกเราก็อยากจะชวนเขามาทางนี้พอเราชวนเขาเขาไม่มาเราก็ไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไรก็ไม่มีอะไรจะให้เขาแล้ว ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันของดีของวิเศษให้เขาแล้วเขาไม่เอาจะให้เอาของที่เป็นยาพิษให้กับเขาทําไมใช่ไหมเราก็ต้องมาอย่าไปคํานึงถึงความรู้สึกของเขาเราต้องคํานึงถึงเหตุผลคํานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดเกิดคุณหรือเกิดโทษจากการกระทําเป็นหลักค่ะส่วนข้อที่สามก็คือว่าหลังจากภาวนาดีแล้ว ก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะจัดสรรเวลาเพื่อให้มีเวลาไปทาในงานภาวนาให้ได้มากขึ้นกว่างานประจำตอนนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มหาที่อยู่เริ่มเตรียมแผนขายทรัพย์สินและก็วางแผนที่จะเก็บเงินคราวนี้โยมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกิเลสมันกาลังหลอกลวงหรือเปล่าเพราะกาลังหวั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเราทาจริงปุ๊บพอถึงเวลานั้นเรา จะมุ่งมั่นกับการภาวนาจริงอย่างที่เราตั้งใจนะตอนนี้หรือไม่ไม่ลองก็ไม่รู้ไปกลัวอะไรของจริงมันต้องพิสูจน์ถึงจะรู้ถ้าของแท้ของจริงมันต้องทนต่อไฟได้ถ้าเป็นทองแท้เอาไปเผาไปยังไงมันก็ยังเป็นทองอยู่นั่นแหละนเราต้องกล้าหานอย่าไปกลัวดูผู้ที่ไปก่อนเราเขาก็ไปแบบนี้กันทั้งนั้นถ้ากลัวกล้ากล้ากลัวกลั ว, ก, ลวก็จะไปไม่ได้ ยังไม่ต้องไปกลัวไปทางอมตะเจ้าไม่ใช่ไปสู่ความชิบหายไปสู่ความเจริญถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่มีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องไปกลัวทรรมนี้จะพาเราไปทรรมย่อมชนะอัธรรมอัธรรมก็คือตัณหากิเลสของเรานี่งั้นขอให้พยายามเจริญทำให้มากๆอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทำก็คือมรรคแปดนี้ทานศีลภาวนานี้ สติสมาธิปัญญาเป็นหัวหอมเจ้าค่ะรับรองนะถ้าทำได้แล้วจะจะไปได้ตลอดตอดเจ้าค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือว่าเนื่องจากว่าเราก็เกิเล็กน้อยเนื่องจากว่าก็ยังมีคนเข้ามาบ้างในชีวิตนะเจ้าค่ะแต่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะน้อมใจให้ทุกคนเป็นแค่กลัลยาณมิตรที่ดีเพราะกลัวว่าถ้าเกินเลยไปแล้วจะถ่วงการภาวนา แต่บางครั้งเวลาสติไม่เข้มแข็งมันก็จะรู้สึกว่ามีครอบครัวก็อาจจะดีมั้งคือแต่ไม่คิดจะมีลูกนะเจ้าค่ะคือแบบว่าเหมือนกับเราก็จะได้มีคนช่วยดูแลแต่เวลาภาวนาดีๆมันก็จะบอกว่าวางมันไปเถอะทุกอย่างมันมาเป็นตัวถ่วงเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ใกล้กันเราจะไม่ผูกพันนะเจ้าค่ะก็ลองพิจารณาอสุภาพบ้างเวลาพิจารณาร่างกายนอกจากพิจารณากแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องพิจารณาสุภาพด้วย เจ้าค่ะก็ลันก็จะตัดได้คือข้อนี้เคยเหมือนกันคือตอนที่ราคามันขึ้นเยอะๆเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมรักอัฟสุภะขึ้นชัดเจนมากทั้งของตัวเองและคู่กรณีไม่น่าเชื่อว่ามันเอาไม่ลงเจ้าค่ะอย่ไปดูของเราของเราไม่เป็นปัญหาต้องดูของเขาดูทั้งคู่อ่ะเจ้าค่ะไม่ไอย่าไปดูดูของเราของขาเขาคนเดียวค่ะของเขาเพราะมันเราไปรักเขาไปหลงกับร่างกายของเขาไม่ได้หลงกับร่างกายของเรา ดูให้มันท่านังเกิดความขยะแขยงเบื่อหน่ายดูส่วนที่มันเราไม่ชอบสิมันต้องมีส่วนไหนที่เราไม่ชอบบ้างวันก่อนใครไปพดรูปฉีกลอกผิวหนังออกทั้งทั้งตัวเลยลองไปดูภาพอย่างนั้นดูนึกถึงเวลาถ้าผิวหนังของเขาไหม้เกรียมหรือว่าเป็นฝ้าเป็นอะไรหรือถูกลอกออกไปนี้เรายังจะมีความลากเขาอยู่หรือเปล่า ยายามดูบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆที่มันยังไม่มีกําลังเพราะเราดูไม่ไม่ไม่มากพอดูไม่ไม่ดูไม่ชัดไม่เจงอีกอย่างนึ่งก็อาจจะเพราะว่าสมาธิเรายังไม่มีกําลังมากพอด้วยมันก็เลยต้องพยายามเจริญสมาธิให้มากและพิจารณาสุภาให้มากพิจารณาทางปัญญาทางอานิจจังก็ได้ว่าเราก็อาจจะคิดว่าเราไป มีเขาเพื่อให้เขามันช่วยเหลือเราดีไม่ดีเรากลับต้องไปช่วยเหลือเขาก็ได้ก่อนเขาเป็นอามภกอามภาะไปเราจะทํำยังไงทีนี้ไปไปไม่ได้แล้วต้องอยู่กับเขาถ้าไปทิ้งเขาก็เห็นว่าเป็นการเห็นแก่ตัวล่ะคิดในในมุมกลับบ้างอย่าไปคิดแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งได้ทั้งเสียเจ้าค่ะคิดในมุมที่ว่าเราอาจจะต้องเสียบ้าง แทนที่เขาจะมาดูแลเราเลี้ยงดยวาวรักเอาเจ้าไปเลี้ยงเขาก็ได้เจ้าค่ะหมดแล้วเลยหมดแล้วเจ้าค่ะเรแชร์ตรงนี้ใหม่ไหมครับครั <c oughs> บ <c oughs> ผมอผมเองเป็นคนจังหวัดปทุมธานีนะครับมาทํางานอยู่ที่แถวบ้านอำเภอเนี่ยนะครับคือมาอยู่ตัวคนเดียวนะครับภรรยาและบุตรนี่อยู่ที่ปทุมธานีผมมาอยู่ที่นี่นะครับ เหมือนกับว่าเรามาปีกวิเวกนะครับสามารถจะทําสมาธิภาวานาทุกอย่างได้หมดเลยครับ mm hmm. แต่กลับไปปทุมธานีแล้วนี่นะครับไปเจอครอบครัวแล้วท mm ุก hmm. สิ่งทุกอย่างนี้นะครับปนไปมั่วไปหมดเลยครับไม่มีโอกาสที่จะมาเจริญสมาธิ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกน้องว่าตัดไปเถอะครับตรงนั้นอย่าไปนสนใจมันเลยนะครับ mm hmm. ไม่มีความสุขแน่นอนสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ วมอมีอะไรไหมมีอะไรจะแจมเห็นด้วยกับคุณประทุมธานีนะคะเพราะว่าก็อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพอมาที่นี่ที่เรงมาบาลศรีกิจก็จะอยู่คนเดียวได้ก็สามารถคติวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนเลยค่ะล้วก็ เนื่อ ง, งจากแต่งงานไปแล้วก็เลยเสียดายว่าลูกนี้ก็ไม่แต่งดีกว่าแล้วก็ลูงนี้ก็ไม่มีลูกเลยค่ะแต่มีมาแล้วเราก็ต้องลากกันไปก็ถือเป็นเครื่องมือภาวนานหนึ่งแต่ดีที่สุดคืออย่ามีเลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้น ปัญหาของหนูมันไม่ไม่เหมือนพวกเขาค่ะเพราหนูหาแฟนไม่ได้ไม่มีลูกไม่มีผัวไม่เกยเอาค่ะแต่ปัญหาของหนูจะคล้ายๆกับพี่คนนั้นเวลาหนูอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวหนูก็สู้กับตู้เย็นกับอะไรแต่เวลาหนูกลับไปบ้านเวลาพี่ๆอยู่เยอะๆสู้ไม่ไหวทุกทีเลยค่ะถ่านจะอยากจะภาวนาอยากจะเจริญต้องปริ้เว่ย ปีกเว้ยเบื้องต้นก็อยู่คนเดียวในบ้านก็ได้ต่อไปถ้าเรามีกําลังมากแล้วก็ไปปีกพื้นเว้ในป่าในเขาต่อไปแต่ในเบื้องต้นเราก็เอาซ้อมที่บ้านก่อนอยู่คนเดียวอย่าเกี่ยวข้องกับใครอย่ายุ่งกับใครไม่ต้องเจอกับใครเพื่อเจริญสติให้มีสมาธิพอมีสมาธิเราก็จะมีความกล้าหาญพร้อมที่จะไปอยู่ตามวัดที่กันดารห่างไกลจากแสงสีเสียงได้ในเบื้องต้นต้อง ซ้อมก่อนต้องทำที่บ้านก่อนเพราะถ้าเราไปออกไปเลยเราจะทำไม่ได้เพราะมันยากมากถ้าทำที่บ้านยังไม่ได้แล้วเราไปอยู่ที่ห่างไกลที่มันกันดานนี่มันจะทำไม่ไหวยังในเบื้องต้นนพยายามจัดที่ให้เราอยู่คนเดียวให้ได้ถึงแม้จะอยู่กับคนอื่นก็ให้มีห้องเป็นสั์เป็นส่วนของเราแล้วเราอยู่ของเราคนเดียวเราเขียนป้ายว่าตอนนี้ปิกวิเว้ข้ามรบกวน ขังตัวเองไว้ในห้องสำรวมมินซีตาหูจมูกเนื้องายจะรียนสตินั่งสมาธิเดินจงกรมก็เดินไปแบบเดินเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังก็ได้ถ้าห้องมันแคบมันไม่ยาวพอที่จะหมุนกลับก็เดินเดินนั่เดินหน้าเดินถอยหลังไปเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่อนคลายเรยาบทตต่างๆสู้กับตัณหาความอยากตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวที่อยากจะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรั้งมันอยู่ในห้องนี้แล้ มีกําลังสติมีกําลังจิตสงบมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเผลอเมื่อไหร่ปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่โอ้โมันจะแสนทรมานใจขึ้นมามันโหยเหมือนกับคนหิวคนอยากเั้นต้องระวังอย่าเผลออย่าปล่อยให้มันมีโอกาสได้คิดปรุงแต่งไปนัันค่ะพอรู้สึกโหยหิวนี่รีบบริกรรมพุทโธไปเลยนะอย่าไปเถียงกับมันอย่าไปคุยกับมันสู้มันไม่ได้หรอก <c oughs> มันมีอุบายหลอกล่อเราเยอะเราไม่มีอุบายสู้มัน เ, ร, เรามีพุโทโธตัวเดียวเท่านั้นะมีธรรมะเท่านั้นเน่ยไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือบทสวดมนต์หรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้อ่านหนังสือธรรมะก็ได้อะไรก็ได้ที่ให้มันผ่อนคลายออกจากความคิดปรงแต่งให้ได้เหมือนเวลาไม่สบายนี้ต้องรีบหายากินแล้วอ่าว่ามา <K _> ขออีกหน่อยนงครับถ้าใครยังไม่เคยอ่านประวัติท่านของพระอาจารย์นะครับคือผมยอมรับเลยว่าผมเพิ่งอ่านเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าโอยเราจะต้องมานะมากกว่านี้เห็นประวัติท่านพระอาจารย์แล้วเนี่ยท่านอดข้าวอดน้ำนะครับมีความมานะพยายามความเพียรขนาดนี้เนี่ยนะครับผมอ่านแล้วบอกไม่ได้เราต้องทาให้ได้ อย่างนั้นจริงๆนะครับทำให้ดูทำให้ดูทให้คุณต่อนนีออ่ะครับกลับนวัศการท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุชาติครับพอดีมีเพื่อนมีการถกเถียงกันเล็กน้อยครับเรื่องทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้หลับตาครับ ไปรูได้ไงถ้าหลับตาแไม่ไปหลับตาหลังจากดูพระองค์ประธานหรือไม่ก็พระประธานนี่มันไม่ใช่ไปดูพระพุทธเจ้าเะ่าไหรแล้วแต่คนที่ก็ปั้นก็จะปั้นลืมตาก็ได้ปั้นหลือตาก็ได้ไม่มีใครรู้หรอไม่ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมครับเกี่ยวถ้าไปถึงไหนกันนะโอเคครับขอบคุณครับ อย่างนี้ก็ปั้นรูปของพระพุทธเจ้าตามตามรูปของเจ้าภาพรู้เปล่าเวลาคนที่เขาถวายพระพุทธรูปเนี่ยเวลาคนปั้นเนี่ยเขาจะพยายามปั้นให้มีหน้าเค้าของคนที่ถวายรู้เปล่าอาจารย์เท้าสุดเนี่ยจากฟังที่ในธรรมะบนภูเขาแผ่นที่สามอะคะ่ะที่มีโยมท่านหนึ่งถามว่า เเขามีเพื่อนซึ่งเกิดมาร่ํารวยแต่ว่าในชาตินี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชอบทําบุญแล้วพระอาจารย์ตอบว่าการร่ํารวยของเขาเนี่ยคงไม่ได้เกิดจากการทําบุญเ อ, อน่าจะเป็นความโชคดีที่บางเอิญเขาเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีหรือว่าบางเอิญโชคดีที่เข้ามามีอาชีพแล้วก็ทําให้เขาร่ํารวยอันนี้อยากจะ ถามพระอาจารย์ว่าความโชคดีอันนั้นมาจากไหนถ้าไม่ได้เกิดจากการทําบุญในอดีตชาติอะคะก็เป็นความบังเอิญไงเดินไปใต้ต้นไม้ลูกมะพ้ามันหนทําหัวเราเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นความบังเอิญอยงนี้แสดงว่าทุกอย่างมันมันไม่จําเป็นต้องเกิดจากเหตุถึงเกิดผลใช่ไหมคะกอเหตุมันมีหลายอย่างที่ทําให้เกิดผลอย่างเดียวกันรวยแบบโกงก็ได้ใช่ไหม รวยเพราะมีความขวนขวายขยันทำมาหากินอดออมก็ได้รวยเพราะว่าได้มาเกิดเป็นลูกม้าเศรษฐีแต่อาจจะไม่ได้ทําทานมาก็ได้จังหวะมั น, นทําให้มาได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีขึ้นมาถ้ามันเป็นถา้นนถามันเป็นทานบารมีจริงๆมันจะต้องชอบทําทานต่อแสดงว่าคนที่อดออมหรือว่าขยันหมั่นเพียรหรือว่าทําผิดเช่นไปฆ่าสัตว์อย่างที่ท่านเทศในนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรวยได้ในชาตินี้ใช่ไหมคแน่นอน เพราะว่าความรวยนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทำความดีเสมอไปอคนทำความดีไม่รวยก็มีเยอะแยะไปขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขณะตั้งสมาธิพอที่จารย์เทพพอได้สมาธิให้อยู่ในอุเบกขาครับเราให้ถอนมา จเจริญปัญญาตอนนี้ต้องบริกรรมไหมครับอ่าเวลาจเจริญปัญญาก็ไม่ต้องบริกรรมแล้วการการบริกรรมเพื่อทําให้ใจสงบแต่ถ้าเราต้องการปัญญาเราต้องใช้พิจารณาเหตุผลพิจารณาความจริงเช่นพิจารณาร่างกายอยากจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงพิจารณามันไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาว่ามันยังไงถึงไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากหนุ่มสาวก็มาเป็นคนแก่จากคนแก่ก็มาเป็นคนเจ็บจากคนเจ็บก็มาเป็นคนตายอย่างนี้เรียกว่าการพิจารณาทางปัญญาตอนนั้นเราไม่ต้องพุโทโธมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันคนละคนละภาควิชากันวิชาสมาธิแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าจิตสงบนิ่งเวลานิ่งก็ปล่อยให้มันนิ่งอย่าพิ่งอามาพิจารณาให้มันหายนิ่งก่อนให้มันเริ่มออกมาคิดปรุงแต่งก่อน แล้วทีนี้เอาความคิดตุงแต่งนี้มาพิจารณาทางปัญญามาคิดทางปัญญาคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิมากพอเรายังไม่อยากจะพิจารณาปัญญาเราก็บริกรรมพุทโธต่อเพื่อที่จะได้รักษาสติเวลาเรานั่งสมาธิใจก็จะได้ขับเข้าไปสู่สมาธิได้ง่ายอย่างรวดเร็วพพอจิตมันนิ่ง มีเพความรู้เราทิ้งบริกรรมได้ไหมครับถ้ามันนิ่งจริงๆมันบริกรรมมันจะหายเองเราไม่ต้องไปทิ้งมันเหมือนกับเรากินข้าวเวลาอิ่มแล้วเราไม่กินต่อใช่ไหมเราไม่เคี้ยวเราไม่ตักข้าวเข้าปากมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่หายบริกรรมยังไม่หายถ้ามันยังไม่นิ่งเต็มที่มันก็ยังจะบริกรรมต่อพอมันนิ่งเต็มที่แล้วมันจะหายไปเองการบริกรรมมันจะหยุดไปเองโดยปริยาย เราจะมั่นใจยังไงรับว่าเราคิดไปเองว่ามันนิ่งหรือว่ามันจะดุดบริกรรมโดยอัตโนมัติอ่ามันเหมือนกินข้าวอะ่ะคุณจะมั่นใจหร้อเปล่าว่าคุณกินแล้วอิ่มหรือไม่มอิ่ไม่ต้องถามใครเฮ้ยผมกินข้าวอิ่มหรือยัง <c oughs> ช่วยบอกผมหน่อยอ่า <c oughs> ไปเรนั่งสมาธิถ้าจิตมันนิ่งจริงๆไม่ต้องไปถามใครมันสันทิฏฐิโกะไงเข้าใจไหมในขนาดที่จริ่ปัญญา มุ่งพิจ า, ารณากายแล้วจิตเกิดเราจะแวะไปพิจ า, ารณาจิตก่อนครับหรือว่ามุ่งแต่กายอย่างเดียวก็ควรจะเอาเป็นเรื่องไปแล้วให้มันเป็ น, เ, เ, ปนเป็นเป็นเรื่องไปดีกว่าถ้าเอาเรื่องนู้นไปปนเรื่องนี้เดี๋ยวมันจับจับปลาสองเบอร์มันจะไม่ได้ทักตัวหนึง่งตัวแรกที่เราควรจะจับก็คือร่างกายนอกจากมีเหตุการณ์ที่มัน รุนแรงที่ทําให้ต้องไปพิจารณาเรื่องของจิตก็ค่อยว่าไปเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนแต่ถ้าไม่มีเรื่องเหตุปัจจุบันทันด่วนแล้วก็พิจารณาร่างกายไปซ้อมไว้ก่อนการพิจารณาร่างกายนี้เป็นการทําการบ้านไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงพอเราเจอเหตุการณ์จริงเราจะได้ทําข้อสอบได้ถ้าเราไม่ทําการบ้านพอเจอเหตุการณ์จริงก็ร้องห่มร้องไห้กันไปเศร้าโศกเสียใจกันไป ถ้าทําการบ้านแล้วพอเจอเหตุการณ์จริงก็จะยิ้มยิ้มภายในใจไม่ได้ยิ้มข้างนอกๆๆๆเดี๋ยวก็จะหาว่าบ้างพ่อตายกับยิ้มแม่ตายกับยิ้มความยิ้มมันสบายจะได้หมดทุกข์กันทันทีไม่ต้องมาเป็นภาร ะ, ะมาห่วงกันถ้าการพิจารณ์ถ้าเกิดตั้งใจจะพิจารณากายต่อเวทนามาตัดหน้าก่อนอเรา<ล>เอาเวทนาก่อนต้องหาวิธีทําให้ใจรับกับเวทนาให้ได้ ไม่ทุกข์กับเวทนาปล่อยวางเวทนาให้ได้คือคือไม่หนีไม่ขยับเวทนา<ช>เพื่อไปพิจารณากายใช่ไหมครับจะจะหนีก็ได้แต่เป็นไปการเลี่ยงปัญหาไม่ไม่ได้เผชิญกับปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาถ้าเราไปพิจารณากายหรือไปบริกรรมหรือไปสวดมนต์อย่างนี้มันก็แก้ปัญหาได้แต่มันเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวถ้าอยากจะแก้ปัญหาของทุกข์กับเวทนาอย่าง ถึงนาคถึงคนก็ต้องพิจารณาว่าทุก เ, เวทนานี้เป็นไต่ลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาเพียงอย่างเดียวให้ได้เราต้องไม่เกิดความอยากให้เขาหายไปหรือเกิดความอยากที่จะลุกอยากจะเปลี่ยนเอเดียบทเราต้องปล่อยให้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเองเราต้องทําใจให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ปล่อยวางให้ได้ เข้าใจไเคยเคยเคยพิจารณาแล้วมันเกิดดับอยู่ครั้งหนึ่งครับมันก็คือมันได้แค่ครั้งเดียวก็ต้องทํำบ่อยๆเลยทำบ่อยๆนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณาใหม่ทําให้มันชํานานจนกระทั่งมันไม่กลัวความเจ็บนเหมือนกับคนที่กินพริกใหม่ๆกินไม่แล้วมันมันเผ็ดถ้ากินบ่อยๆแล้วมันไม่เผ็ดในการพิจารณาอสุภะคือลม เราวาดมาโนภาพของกาตัวเองหรือว่าเราต้องอพิจารณาร่างกายของคนที่เรามีกามอารมณ์ด้วยเช่นเราเห็นเขาประกวดนางงานเนี้ยเราลองชำละศพก็ดูเวลาก็เดินออกมาโชว์รวปร่างนี่ก็เอามีกรีดที่กลางอก อ, อกเขามาดูดูปอดดูไตดูอะไรต่างๆหรือถ้ามีเครื่องเอ็กซเรย์ก็ใช้ดูโครงกระดูกของเขาดูคือคือเป็นการ วาดมโนภาพอ่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นภาพสวยงามแล้วก็เกิดการมลลมพอเราเห็นภาพที่ไม่สวยงามมันก็จะดับการมลลมได้มันก็เกิดจากภาพทั้งนั้นแหะที่เราเกิดการมลลมขึ้นมาเพราะเรานึกถึงภาพที่สวยงามใช่ไหมคนที่ก็ซื้อหนังสือโป้มาดูดูทําไมก็จะได้ดูภาพที่ทําให้เกิดการมลลมขึ้นมาเขาไม่ซื้อหนังสือรสุภาพมาดูกั น, นี่คือคือเราต้องล่อให้กิเลมัน ออกมาก่อนแล้วตีหัวมันหรือเปล่าครับไม่เราก็ต้องทําทําเตรียมยาไว้ก่อนเลยเตรียมไม้ไว้ก่อนถ้ายังไม่มีไม้อย่าไปล่อมันออกมาล่อออกมาก็ถูกมันกัดทั้งนั้นน่ต้องเตรียมไม้ไว้ก่อนคืออสุภะถ้าเรามีอสุภะแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันตายหรือไม่เราก็ต้องนึกถึงภาพสวยๆล่อให้มันเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์แล้วก็ดูว่าอสุภะที่เรามีอยู่นี้จะดับมันได้หรือเปล่าถ้าดับไม่ได้ก็ต้องกลับไปทําการบ้านใหม่ ต้องพิจารณาให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นจนกระทั่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นคนนี้จะต้องเห็นทรลุโ ป, ปง่งโป่งไปหมดนะเห็นผิวหนังเขาเป็นเหมือนถุงพลาสติกอย่างนี้ทำให้ผิวหนังของเขาในกลายเป็นถุงพลาสติกไปสายเหมือนถุงพลาสติกเห็นกระดูกแข้งพองกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้าเห็นนวัยาวต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกาย ถ้าหเห็นอย่างนี้พอเห็นไขป่ปั๊บมันจะเป็นนางงามจักรวาลหรือเป็นอะไรมันก็เป็นเพียงความรู้สึกของคนที่มองไม่เห็นความจริงเท่านั้นเองคนที่มองเห็นความจริงจะไม่เห็นอย่างนั้นในในการพิจารณาให้ไล่เกศาลงมาหรือว่าวาดมโ น, นภาพของกายไล่ลงไาครับหรือหรือรูปอสุภะ ท, ที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้น คือการพิจารณาการสารที่สองนี้มีเป้าหมายต่างกันเราต้องการทําลายความเด็ดตัวเป็นตนของร่างกายแล้วก็ต้องชํำระร่างกายออกมาเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับเราเอาชํำระรถยนต์ที่เป็นชิ้นส่วนประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆออกมาเ้อกองไว้กองหนึ่งเครื่องยนต์กองไว้กองหนึ่งกระจกอะไรต่างๆแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆไปแล้วเราจะได้เห็นว่ามันไม่เป็นตัวตน ร่างกายคือเรามีมีองค์ประกอบอยู่สามสิบสองอาการแล้วก็แยกมันออกมาเป็นส่วนๆแล้วไล่เป็นทีละส่วนว่าตัวนี้เป็นตัวเราเหรือผมเป็นเราเหรือขนเป็นเราเหรือเลือ เ, เป็นเราเหรือฟันเป็นเราเหรือไล่มันไปทุกถามมันทุกทุกส่วนเลยแล้วมันก็จะรู้ว่ามันไม่มีเราในอาการทั้งสามสิสองนี้มันเป็นเพียงอาการสาสิสองที่เรามายึดติดใจของเรามันมายึดติดเข้าใจไหม มันกันเรายึดติดของต่างข้างนอกร่างกายแล้วก็ใช้ใจไปยึดติดพอมีบ้านมาก็จะยึดติดว่าเป็นบ้านของเราพอมีแฟนก็ยึดติดว่าเป็นแฟนของเราควาจริงเขาเป็นแฟนของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เป็นตอนที่เราไปยึดติดก่อนที่เราไปรู้จักเขาก็เป็นใครใช่ไหม ha <S 2> <S 2> <Erik. S 1> ร่างกายนี้ก่อนที่มันจะมาเป็นร่างกายนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นน้ำสองหยดเนี่ยพอน้ำสองหยดมารวมกันขึ้นมามันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาการสาสิบสองขึ้นมา เราต้องดูให้มันชัดเจนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบของมันมันมีวัตถจักของมันเริ่มจากน้ำสองหยดมารวมกันจเจริญเติบโตในครรภ์ออกมาก็เป็นเด็กทารกแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนตายแล้วก็ไปเผาว่ากลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วถามว่าเราอยู่ตรงไหนตัวเราเนี่ยมันจะมันก็จะเห็นชัดว่าเพราะเราไม่ใช่ตัวนี้ เราเป็นผู้พิจารณาสิ่งที่ถูกพิจารณาไม่ใช่ตัวเราแต่เรายังไม่เห็นตัวเราจะเห็นก็ต้องเวลาจิตสงบเวลาจิตรวมแนละ้วจิตมันก็จะปล่อยร่างกายแยากออกจากร่างกายจิตก็จะเหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้นั่นอันนั้นแหละคือตัวที่เราเรียกว่าจิตนี่เราก็จะไม่เราก็จะไม่หลงไปยึดติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็จะปล่อยได้ มีขับถายอะไรไหมขอบคุณพระพ้างคืออยากจะกลับขออีกสักข้อนะเจ้าค่ะคือก่อนหน้าที่จะเกิดภาวะจิตเสื่อมตัวรู้มันมาบ่อยมากอย่างบางทีนั่งที่ทํางานช่วงพักกลางวันไม่ได้ลงไปทานข้าวนั่งแป๊บหนึ่งมันก็จะแยกออกมาได้ชัดเจนคือมันรู้มันมีความสว่างว่าแล้วมันก็รู้ว่ามันกําลังหายใจมันคือมันรู้แต่ว่าหลังจากที่จิตมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะ พยายามทุกเทคนิคที่ฟังครูบาอาจารย์มามันไม่ยอมกลับมาเลยเจ้าค่ะเพราะเราไปทําผิดที่ไงอย่างน้องตาเวลาท่านเสื่อมจิตของท่านเสื่อมท่านก็อยากจะให้มันคืนมาท่านไปต้องจ้องอยู่ตรงจุดอยากอยากให้มันกลับมาอยากให้มันกลับมามันไม่มีวันจะกลับมาตามความอยากได้มันจะกลับมาต้องกลับมาจากการสร้างสติขึ้นมาใหม่เพราะท่านกลับไปบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็กลับมา ดังนั้นอย่าไปอยากให้มันกลับมาให้เจริญสติขึ้นมาใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะกลับมาเจ้าค่ะแล้วท้าทตอนที่เราเริ่มนั่งนัง่บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีช่วงที่คําบริกรรมหายพร้อมกับรู้สึกว่าหยุดหายใจคือลมหายใจมันละเอียดมากจนจนไม่ได้ตามแล้วมันก็จะมีช่วงเหมือนมึดๆแล้วพอมีจังหวะที่มารู้สึกมึดๆปุ๊บพอเรารู้สึกว่าอ้าว มันหายไปหมดละคราวนี้อิที่รู้สึกว่ามันหายมันกลับมาหมดเลยเจ้าค่ะออืบริกรรมก็มาลมหายใจก็ชัดก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังไปก็แล้วกันออ๋แล้วเราก็ภาวนาต่อไปช่วงไหนที่ภาวนาไม่ได้ก็ให้ประเขาประครองสติให้รู้อยู่กับสิ่งที่กําลังปรากฏให้รู้ก็แล้วกันเจ้าค่ะเอแต่อย่าไปตามรู้ให้อยู่กับตัวรู้ให้ตัดแต่ว่ารู้ ไม่งั้นมันจะเฉียดกัดหลงใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะตามรู้แล้วมันจะเกิดตันหาความอยาก อ, อยากรู้มากขึ้นอยากดูมากขึ้นต้องดูว่ามันมันตั้งอยู่ก็ตั้งไปมันจะดับก็ดับไปเจ้าค่ะถ้าเราเราพยายามเกาะติดอยู่กับตัวรู้ให้รู้เฉยเฉยเจ้าค่ะแล้วกลับมาบริกรรมพุทธโธได้ก็ บ, บริกรรมพุทธโธไปเจ้าค่ะอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ให้เรารับรู้ เจ้าค่ะเราต้มาสักกา์พระอาจารย์ครับรพระอาจารย์ครั บ, รารบการที่เอาทางโลกมาพิจารณานี่ถือเป็นการพิจารณาไหมครับอย่างอาที่เช่น เ, เรื่องงานเรื่องบริวารหรือว่าเรื่องข่าวค่าวบ้านเมืองนี้ครับผมก็พิจารณาเป็นตายรักก็เป็นปัญญาทั้งนั้ น, นถ้าเห็นว่าเขาเป็นตายรักไม่เที่ยงอ<น><น>เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะทุกขไปเปล่าๆรเราต้องปล่อยวางพิจารณาเพื่อปล่อยวางก็จะหายทุกข์ให้ดูที่ตัวผลก็คือความทุกข์ว่ามันดับหรือไม่ดับถ้าเราไม่สบายใจกับเรื่องใดถ้าเราพิจารณาเรื่องนั้นจนเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะดับความไม่สบายใจได้ถ้ายังดับไม่ได้ก็ยังแสดงว่าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะปล่อย เห็นแล้วว่ามันเป็นตายรักแต่ปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติพอก็ต้องเดินสมาธิมากๆใช่ไหมครับเดินสติเจริญสติให้มากๆแล้วนั่งสมาธิให้มากๆครับแล้วต่อไปเวลามีความไม่สบายใจพิจารณาตายรักว่ามันก็จะดับไปดับความไม่สบายใจได้ครับผมขออีกข้อครับอาจารย์การที่เอคนฆ่าสัตว์โดยที่ต่างเจตนาครับอย่างสมมติว่าคนรู้ว่าฆ่าสัตว์แล้วบาป กับคนที่ไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์แล้วบาปจริงไหมครับผมอาทิเช่นอย่างฆ่าไก่อฆ่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับผมบางคนคนที่ทราบว่าฆ่าแล้วบาปกับคนที่ไม่ทราบว่าฆ่าแล้วบาปเนี่ยการบาปเท่ทากันไหมครับต่างกันมีผลต่างกันอยู่ที่เจตนาใช่ไหมครับเออใช่ถ้ามีเจตนาฆ่าเพราะความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตครับฆ่าเพราะความกลัวก็จะไปเป็นผีครับฆ่าเพราะความมาฆาตโกรธเกรียดก็จะไปนรกครับ ถ้าพ่อไม่รู้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานอ๋อนี่อบายสี่มก็ดจากการทำบาปที่มีสาเหตุต่างกันสี่สาเหตุด้วยกันครับผมกลับขอบพระคุณครับการบัการครับ ก, ก, บกลับนามัสการพระอาจารย์อีกครั้งนะครับเออพอดีมีเพื่อนสอบถามมาครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนว่าในการทำสมาธิ ไม่ให้หลับตาให้ลืมตาเท่านั้นห้ามหลับตาเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับเพราะมีเพื่อนถูกสอนมาแบบนี้พอไปคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าสามารถทำได้สองอย่างแต่เพื่อนไม่เชื่อครับคือจิตจะรวมได้นี่บางทีมันลืมตามันก็รวมได้อันนี้ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธครับแต่ ถ้าพูดโดยหลักทั่วไปแล้วปิดตามันจะง่ายกว่าลืมตาพราะเราต้องการปิดทวารทั้งหมดไม่ให้กิเลสมันออกไปข้างนอกไม่ให้ดึงใจออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่ที่ลืมตาแล้วมองแล้วไม่มีภาพอะไรที่จะทําทให้เกิดกิเลสก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปนั่งแล้วเห็นสาวเดินมาเห็นขนมมาขายอย่างนี้มันก็จะเ <c oughs> กิดกิเลสมันก็จะสงบไม่ได้ครับถ้าหลับตามันมองไม่เห็นมันก็จะ สบายกว่าสงบได้ง่ายกว่างั้นจะถามว่าลืมตากับหลับตาอันไหนจะง่ายกว่ากันเราก็ต้องบอกว่าหลับตามันง่ายกว่าแต่ถ้าคนที่กลัวผีหลับตาแล้วเห็นผีไม่กล้าหลับตาก็ต้องลืมตาไปก่อนก็ว่าไปก็ลืมตาไปก่อนก็ได้แต่มันยากกว่างั้นจะสงบยากกว่าครับขอบคุณพระอาจานครับอหมดแล้ววันนี้ปัญหาเยอะดี รู้สึกตั้งแต่ทำธรรมะบนเขาเมาวันนี้จะเยอะที่สุดเลยมั้งครับอาจารย์นะฮะก็เป็นเรื่องดีครับที่ทุกคนกล้าถามนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้อื่นนะครับบางทีมานั่งนี่ไม่ถามกันเลยครับพอปิดไม้นี่ถามันใหญ่เลยฮะมีมีเฟซบุ๊กเยอะปะต่อไปเหมือนไม่้อมีอะไรมากครับครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติภิชาโตนะครับจากคุณปีเตอร์หม่องนะครับถ้ามีเวลาบวชสามเดือน จำเป็นไหมต้องบวชในช่วงเข้าพรรษาเพราะโบราณว่าจะได้บุญมากกว่าบวชในช่วงออกพรรษาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคือปกติเนี่ยเวลาเข้าพรรษานี้ทางวัดทางพระนี่ท่านจะเข้มข้นต่อการปฏิบัติกันจะมีการสั่งสอนมีการเรียนปริยัติธรรมเรียนนักธรรมตรีกันแต่พอออกจากพรรษาไปแล้วนี้ ก็จะมีภารกิจอย่างอื่นมีงานอย่างอื่นแล้วก็มีคนมาไม่มีคนมาบวช ด, ด้วยเพราะธรรมเนียมนี้จะนิยมบวชกันในช่วงเข้าพรรษากันการเข้าพรรษาเลยถือว่าเป็นช่วงที่จะมีการปฏิบัติมีการศึกษากันอย่างเข้มข้นแต่ถ้าเราศึกษาเองได้ปฏิบัติเองได้จะบวชเวลาไหนก็ได้ทางนั้นถ้าเราขวนขวายหาหนังสือมาเองได้แลาบังคับตัวเราให้ปฏิบัติได้ ก็บวชเวลาไหนก็ได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่เวลาอาการิโกธรรมะของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโปปนญายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหยคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับการกราบขออโหสิกรรม คุณแม่คุณพ่อในขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จะปันเทาผลกรรมที่ลูกเคยล่วงเกินทางวาจาจัด ก, การที่ผู้สอนหรือผู้ใส่อารมณ์กับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือไม่กรรมที่ทําไปแล้วเราลบล้างไม่ได้แต่กรรมที่ยังไม่เกิดนี่เราห้ามได้ถ้าเรามีความสํานึกผิดแล้วไปขอโหสิก็จะทําให้เราไม่กล้าทํากรรมใหม่แต่ถ้าเรายังไม่มี จิตจำเนึกว่าเราทำผิดยังไม่ไปขอกมาอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะทำซ้ำซากต่อไปได้อย่างนั้นการขอกรรมาราโทษขออโหสิกรรมนี้ไม่ได้เป็นการลบล้างบาปกรรมที่ตนเองได้ทำไว้แล้วอย่างลูกที่ฆ่าแม่เวลาที่แม่ส่งข้าวมามาสายฆ่าไปล้วค่อยมาร้องห่มร้องไห้ขอกมาราโทษแต่กรรมมันได้ทำไปแล้วได้ฆ่า บุปการะกไรอยแล้วมันเป็นอนันตฤยกรรมแล้วมันก็ต้องไปใช้กรรมในแนวโ ล, ลกต่อไปยิ่งแต่ว่ามันจะได้ถ้ามีความํำเนื้อครั้งต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกก็จะได้ไม่กล้าทาบาปอีกเพระอาจารย์ครับการฟังทำเนี่ยต้องมีสติอยู่กับคำที่แสดงออกมาแล้วมีความจาเป็นไหมครับที่จะต้องแบ่งสติไว้หน่อยนึงเพื่อ กำกับให้ลมหายใจนี่ไม่เลยไม่เลยไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจไม่ต้องไปร่วมยุ่งกับพุทธโธเลยเหมือนคุณกับเราคุยกันเนี้ยคุณจะไปคอยดูเครื่องที่สองแบบบทกำไรคงต้องเปลี่ยนแบบแล้วมันเปียนน ะ, ะมันหมดพอดีเพราะวันนี้ยาวหน่อยอะนะ เข้าใจั้มเวลาฟังธรรมก็ฟังอย่างเดียวเลยเหมือนคุณกับเราคุยกันเนี้ยคุณยังจะมาแบ่งไปดูลมของฝุ่นหอเปล่าใช่ไหมถ้าแบ่งมาฟังแล้วเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่ต่อเนื่องเะฉะนั้นเวลาฟังธรรมนี้หยุดภาวนาคืออย่าไปพุดโทอย่าไปดูลมหายใจเข้าออกใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนนถ้าฟังไม่เข้าใจมันก็จะสงบเป็นสมถะไปถ้าฟังเข้าใจมันก็จะเป็นวิปัจนาไปเป็นปัญญาไป เครื่องมันจะเสียหมดแล้วมันขอ <c oughs> บอกว่าถึงเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถ อ, อ, อสายแตจะหมดครับเลยว่าชาร์จมาแค่สองตัวเบอร์นี้กัเบอร์สองตัว่ใหม่แล้วมันต้อเก่าวจ่าบาทลครับพ่อ มีเยอะเลยครับที่ตอนร่วมกันมาเรื่องอะไรเยอะเลยครับ